มาวัดเพื่อมาทำภา ร, ก, ร, าภารกิจทางจิตใจพาะภารกิจทางจิตใจนี้มีความสําคัญมีคุณค่ากว่าภารกิจต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นภารกิจเกี่ยวกับร่างกายหรือภารกิจเกี่ยวกับผู้อื่น่างกายของผู้อื่นเพราะว่าโลกนี้เป็นโลกของ ความไม่แน่นอนเป็นโรคของการเกิดการดับทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้เป็นของชั่วคราวทำดีอย่างไรก็ในที่สุดก็จะต้องเสื่อมหมดไปและจิตใจของพวกเรานี้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันเสื่อมทาเท่าไหร่ทําดีเท่าไหร่มันก็จะอยู่กับจิตใจ ของเราไปเท่านั้นไม่มีวันสิ้นไม่มีวันหมดไปดังนั้นพวกเราจึงอย่าไปหลงให้ความสําคัญกับร่างกายกับสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะอย่างมากก็แค่ร้อยปีร่างกายของเราก็ต้องหมดสภาพไปไม่ว่าเราจะทําอะไรมากน้อยเปลี่ยนไปพอร่างกายนี้ตายไป ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นของเราเอีกต่อไปเพราะเราเป็นใจเราต้องไปข้างหน้าต่อไปเราจะไปดีไปสุขหรือไปทุก์ไปไม่ดีก็อยู่ในปัจจุบันอยู่ที่ว่าเราดูแลรักษาใจของเราหรือไม่ถ้าเรารักษาใจของเราใจของเราก็จะไปดี ไปสุดแล้วก็จะดีขึ้นไปตามลำดับและสุขขึ้นไปตามลำดับจนถึงสุขขั้นสูงสุดจนถึงความดีขั้นสูงสุดก็คือพระนิพพานความสุขที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเปรียบเทียบหรือเสมอเท่าได้นี่คือความจริงที่พวกเราไม่รู้กัน ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้ความจริงอันนี้เราจะไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับจิตใจของเราเราก็จะไปรู้แต่ความจริงที่เกี่ยวกับร่างกายซึ่งร่างกายนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นตัวเราสิ่งที่เป็นของเราเป็นตัวเราก็คือจิตใจ แต่เราไม่ค่อยดูแลจิตใจของเราเรากลับไปดูแลสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเราจึงต้องพบกับความผิดหวังพบกับความทุกข์พบกับความเศร้าโศกเสียใจมาตลอดไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้เราพบกับความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจมานับไม่ถ้วนแล้วเพราะพบชาติที่เรา ได้มาเกิดร่างกายที่เราได้มานี้มันมากมายจนนับไม่ได้พระองค์ทรงเปรียบว่าจำนวนของร่างกายหรือพบชาติที่เราได้มานี้เป็นเหมือนกับการสะสมน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละชาติในแต่ละภพถ้าเราสะสม น้ำตาทั้งหมดที่เราหลั่งไหลออกมามันจะมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรอีก <Yeah. S 1> ก็คิดดูก็แล้วกันว่าจะต้องมีพบชาติจำนวนเท่าไหร่ถึงจะหลั่งน้ำตาได้มากกว่าน้ำในมหาสมุทร <Yeah. S 1> นั่นคือพบชาติของพวกเราที่เราได้ผ่านมาแล้วและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกอย่างไม่มีวันสิ้นสุด เราจะเกิดแล้วเราก็ต้องมาร้องไห้กับความแก่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความตายกับการพัดพลากจากสิ่งที่เรารักที่เราชอบแล้วพอเราตายไปเราก็กลับมาเกิดใหม่เกิดมาร้องไห้ใหม่สะสมน้ำตาไปใหม่จะเป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่หยุดต้นเหตุที่ผลักดัน ให้เราไปเวียนไหวาตายเกิดถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนมาบอกพวกเราพวกเราก็จะเวียนไหวาตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าพบใดชาติใดได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็จะเป็นบุญเป็นวาสนาที่จะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับชีวิตของเรา ว่าตัวเราที่แท้จริงก็คือใจของเราและความดีหรือความสุขที่แท้จริงที่ถาวรก็คือการไม่เกิดนั่นเองบาบใดที่ยังมีการเกิดอยู่จากนั้นก็ยังจะต้องมีการมีความทุกข์มีความเศร้าโศกเสียใจก็จะมีการทำบาปทำชั่วกันเพื่อที่จะรักษาหรือดับความทุกข์ต่าง เช่นคนที่ขีดสีนก็เพราะว่าเขามีความทุกข์เขาต้องไปทำบาปเพราะเขอยากดับความทุกข์แต่เขาไม่รู้ว่าการทำบาปนี้กลับไปสร้างภพชาติที่ไม่ดีให้แก่จิตใจของเขาต่อไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใจของเรานั้นสุขได้อย่างไรดับความทุกข์ได้อย่างไร มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะรู้ความจริงอันนี้เกี่ยวกับความสุขความทุกข์ของจิตใจเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็จะสอนวิธีให้พวกเราหยุดความทุกข์ภายในใจและหยุดการเวียนว่ายเวียนว่ายตายเกิดของใจ ถ้าเราทาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะสามารถดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้และหยุด ก, การเวียนว่าตายเกิดพบชาติของเราก็จะเป็นพบชาติสุดท้ายได้ในชาตินี้ซึ่งมีผู้ที่มีศรัทธาน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ และสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดปรากฏเป็นพระอาหารหันตสาวกเป็นจำนวนมากมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธการตั้งแต่ครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมเทศนาโปรดผู้ที่สนใจก็ปรากฏมีผู้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกกันเป็นจำนวนมาก เพียงในระยะเวลาเจเดือนแรกของการประกาศพระธรรมคําสอนคือตั้งแต่วันเพ็ญเดือน8จนไปถึงวันเพ็ญเดือนสปีปีต่อไปก็รวมเวลาเป็นเจเดือนวันเพ็ญเดือนสามเป็นวันอะไรก็วันมาฆบูชาก็ปรากฏมีพระอาหารหันตสาวกอย่างน้อยก็หนึ่รูป ได้เดินทางมาจากทิศ ต, ต่างๆเพื่อมากราบพระพุทธเจ้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าโด ย, โดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนนี่เป็นความจริงที่ได้มีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกเพียงเจเดือนก็มีพระอาหารหันต์ผู้ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดถึงหนึ่รูปด้วยกัน แต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตัดสรุปและมาประกาศพระธรรมคาสอนไม่ปรากฏมีพระอาหารหันตสาวกไม่ปรากฏว่ามีผู้ที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้เลยเพราะว่าไม่มีใครรู้ความจริงนั่นเองทุกคนที่เกิดมามักจะหลงยึดติดคิดว่าร่างกายเป็นตัวของตน คิดว่าร่างกายเป็นตัวของตนก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจไปกับการดูแลรักษาร่างกายแล้วก็อาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขก็คือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะแต่ความสุขเหล่านี้ และตาหูจมูกลิ้นกายและร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นความสุขประเดียวประดาเท่านั้นเองนอกจากเป็นความสุขแล้วยังเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเพราะเมื่อเกิดความชอบหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จะติดเป็นนิสัย ต้องต้องหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเวลาใดที่ไม่สามารถหาความสุขได้เวลานั้นก็จะทุกข์ทรมานใจเช่นเวลาอยากจะหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะแต่ไม่สามารถหาได้ก็จะเกิดความ เศร้าโศกเสียใจเกิดความเศร้าส้อยหงอยเหงาเช่นเรามีแฟนหรือมีคู่ครองเวลาที่เขาจากเราไปเวลานั้นเราจะเศร้าโศกเสียใจเศร้าส้อยหงอยเหงาเพราะเราขาดรูปเสียงกลิ่นรสของแฟนเราที่เคยให้ความสุขกับเราพอเขาจากเราไปเราก็ไม่สามารถหาความสุขต่อไปได้ จนกว่าเราจะหาแฟนใหม่ได้เราถึงจะได้ความสุขใหม่แต่ในระหว่างนั้นก็ต้องทุกข์ไปก่อนเศร้าโศกเสียใจเศร้าส้อยหงอยเหงาไปก่อนแล่เวลาได้แฟนใหม่มาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะอยู่กับเราไปตลอดเขาก็อาจจะจากเราไปอีกเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อเวลาที่เขาจากไปเราก็จะเศร้าโศกเสียใจเหมือนเดิม เพราะเราไม่รู้ว่าใจของเรานั้นสุขด้วยอะไรทุกข์ด้วยอะไรนั่นเองความหลงหลอกให้เราอาศัยร่างกายอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือหาความสุขทางตาทางรูปเสียงกลิ่นรสผธพพะแต่เราไม่รู้ว่าเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเสมอเป็นเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเด็ด ปาที่ไม่ฉลาดก็คิดว่าเหยื่อนี้น่ารับประทานแต่ไม่รู้ว่ามีตะขอเบ็ดจะเกี่ยวปากต่อไปพอไปฮุบตะคุกเหยื่อฮุบเหยือหห่อแล้วก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากเจ็บมากกว่าความสุขที่ได้จากการฮุบเหยื่อชิ้นเล็กๆที่อยู่ติดอยู่ปลายเบ็ดฉันใดความสุขต่างๆในโลกนี้ ก็เป็นอย่างนั้นใจเราเป็นเหมือนปลาที่ไม่รู้โทษไม่รู้อันตรายของการหาความสุขทางร่างกายหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะเมื่อเราติดแล้วก็เป็นเหมือนตะขอที่เกี่ยวปากเราไว้นะเกี่ยวปากปลาเาไว้ติดแล้วก็ดล่นไม่หลุด นินเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทรมานก็ต้องอยู่กับความทุกข์ทรมานนั้นไปเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดเวลาติดยาเสพติดแล้วนี่จะต้องทุกข์ทรมานใจมากเวลาที่ไม่ได้เสพแล้วเวลาจะเลิกก็ทุกข์ทรมานใจเช่นเดียวกันเวลาเลิกก็เหมือนกับเวลาเอาเอาตะขอเบ็ดออกจากปากปลายมันต้องเจ็บ แต่อย่างน้อยมันเจ็บแล้วมันหายได้ถ้าเราถอนเอาตะขอออกจากปากแล้วมันก็จะหายเจ็บไม่นาหลังจากนั้นไม่นานมันก็จะหายเจ็บฉันใดถ้าเรายอมเจ็บด้วยการไม่หาความสุขทางตาหูจมูกกลิ่นกายเช่นเวลาสูญเสียคนรักไปแล้วก็ไม่หาคนรักใหม่ไม่หาคู่ครองใหม่ยอม ทรมานไปสักระยะหนึ่งต่อสู้กับความอยากหาคู่ครองคนใหม่หาแฟนคนใหม่พอเราสู้ไปเรื่อยๆแล้วไม่นานความอยากก็จะค่อยอ่อนกำลังลงไปและเบาลงไปและหมดไปได้ถ้าเราทําตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนที่เป็นเหมือนเครื่องมือที่จะมาช่วยให้เรา เอาตะขอเบ็ดที่เกี่ยวใจของเรานี้ให้ออกไปอย่างไม่ทุกข์ทรมานถ้าเราปฏิบัติตามได้เราก็จะสามารถถอนถอดตะขอที่เกี่ยวปากและเกี่ยวใจของเรานี้ออกไปโดยไม่ทุกข์ทรมานใจถ้าไม่มีก็จะทุกข์ทรมานใจมากเพราะไม่มีเครื่องมือที่จะมาช่วยบรรเทา ความทุกข์ทรมานใจนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะถอนตะขอที่เกี่ยวใจของเราที่สร้างความทุกข์ทรมานใจของเราเราก็ต้องบระพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตะขอที่เกี่ยวใจของเราคืออะไรก็คือความอยากสามประการด้วยกันคือ 1. ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสองความอยาก มีอยากเป็น 3. ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากในรูปเสียงกลิ่นน้อยก็คืออยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานแบบไม่มีเหตุไม่มีผลการดื่มการรับประทานที่ไม่เป็นความอยากก็คือต้องดื่ ม, มต้องรับประทานเหมือนกับการรับประทานยาดื่มยาเวลาเรารับประทานยาหรือดื่มยานี้เราไม่ได้รับประทานด้วยความอยาก เรารับประทานด้วยความจำเป็นเพราะเราต้องการรักษาร่างกายของเราให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บการรับประทานการดื่มต่างๆก็ควรจะเป็นแบบนั้นก็ควรจะรับประทานตามเวลาแล้วก็รับประทานเท่าที่จาเป็นเท่านั้นอย่าไปรับประทานตามความอยากถ้าเราไม่รับประทานหรือไม่ดืม่มตามความอยาก การดื่มการรับประทานของเราก็จะไม่เป็นอันตรายต่อจิตใจของเราแต่ถ้าเราดื่มเรารับประทานตามความอยากมันก็จะทำมันจะเป็นอันตรายต่อจิตใจและเป็นอันตรายต่อร่างกายเพราะร่างกายก็จะต้องมีน้ำหนักเกินก็จะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเบียดเบีย น, ยนใจก็จะทรมานอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่อยากจะดื่มอยากจะรับประทาน และเมื่อถึงเวลาที่หมอสั่งห้ามไม่ให้ดื่มไม่ให้รับประทานตอนนั้นก็จะยิ่งทุกขทรมานใจใหญ่เพราะเวลาอยากจะดื่มอยากจะรับประทานก็ไม่สามารถดื่มรับประทานได้นี่คือโทษของกามาตัาหาความอยากในการคือรูปเสียงกลิ่นลดผลถะความอยากมีอยากเป็นก็เช่นเดียวกันตอนนี้เราไม่ได้เป็นอะไร พอเราอยากเป็นอะไรขึ้นมาใจของเราก็จะกวนกวายกระสับกระสายถ้าเราอยากเป็นอะไรที่เราไม่ได้เป็นสมมติว่าเราเป็นนายร้อยแล้วเราอยากจะเป็นนายพันพอเราอยากขึ้นมาใจเราก็จะกวลกางยกระสับกระสายแต่ถ้าเราไม่อยากเป็นนายพันเราพอใจกับสถานภาพเดิมของเราเราเป็นอะไรเราก็พอใจ ไม่ต้องการที่จะเป็นอะไรมากไปกว่านี้เราก็จะไม่กังวลกังวลกระสับกรส่ายนี่คือความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็เช่นเดียวกันตอนนี้เราเป็นอะไรถ้าเราพอใจเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่พอใจกับสถานภาพของเราเช่นเราแก่แล้วเราอยากจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็จะทุกทรมานใจ ถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราอยากจะหายเราก็จะทุกข์ทรมานใจถ้าเราจะต้องตายแล้วเรายังไม่อยากตายเราก็จะทุกข์ทรมานใจหรือในขณะเดียวกันว่าถ้าเรายังอยู่แต่เราอยากจะตายอย่างนี้ก็ทุกข์ทรมานใจเหมือนกันเราต้องเฉยกับทุกสภาพของร่างกายของเรา ร่งางกายจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปอย่าประยากให้มันไม่แก่ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่าประยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยร่งางกายจะตายก็อย่าประยากให้มันไม่ตายร่งางกายยังอยู่ก็อย่าประยากให้มันตายเพราะมันจะทำให้เราทุกทรมานใจขึ้นมาโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่าเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี้ เราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะตายเมื่อไหร่เราไปยับยั้งเขาไม่ได้เขาจะอยู่ไมนานสักเท่าไหร่เราก็ไปสั่งให้เขาตายไม่ได้ดัางนั้นขอให้เรามาถอนกระขอเบ็ดสามสามอันนี้ออกจากใจเราเถอดถอนด้วยคำสอนของพระพระเจ้ธธาที่สอนให้เราทาบุญละบาปแล้วก็ ชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ทบุญก็อย่างที่พวกเรามาทำกันวันนี้คือเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไม่หวงไม่เก็บเอาไว้ไม่อยากได้มากขึ้นเพราะความหวงก็เป็นความอยากแบบหนึ่งความอยากได้เพิ่มมากขึ้นก็เป็นความอยากอีกอย่างหนึ่งเราต้องมาละความอยากในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ให้มีไว้พออยู่ได้ก็พอแล้วพอต่อการดูแลรักษาร่างกายอย่าไปอยากมีมากไปกว่านั้นและอย่าไปหวงถ้ามีมากกว่านั้นเพราะความอยากความหวงนี่ก็จะทำให้เราทุกข์ทรมานใจนี่คือเรื่องของการทำบุญเพื่อถอนความอยากออกจากใจแล้วก็ให้เราละบาปเพราะการทำบาป ก, ก็เกิดจากความอยาก เวลาเราโกรธใครมากๆเราก็อยากจะทำร้ายเขาอันนี้ก็จะทำให้ใจเราทุกข์ทรมานทำให้เราเครียดแค้นโกรธแค้นโกรธเคืองถ้าเราไม่ทําบาปเราก็จะสบายใจของเราจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายใครทําอะไรเราเราก็ยกโทษให้เขาไปหรือถือว่าเป็นการใช้หนี้เก่าใช้บาปใช้เวรใช้กรรมไป พวกเราทุกคนเคยสร้างเวรสร้างกรรมกันมาเมื่อมาเกิดมาเจอกันก็ต้องมาชดใช้เวรชดใช้กรรมกันแต่เราอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมอันใหม่ให้เกิดขึ้นด้วยการไปทำลายเขาเพราะจะทำให้เกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นเองนี่คือเรื่องของการไม่ทำบาปแล้วสามคือให้เราชำระใจของเรา การชำระใจนี้จะเป็นการถอนความอยากออกอย่างถาวรการทำทานการทำบุญกับการไม่ทาบาส น, นี้เพียงแต่สกัดกั้นไม่ให้ความอยากนั้นมีกำลังมากจนเกินไปแต่ไม่สามารถทำลายความอยากได้หมดการจะทำลายความอยากได้หมดได้อย่างถาวร น, นี้ต้องอาศัยการชาระใจ การชำระใจก็มีสองขั้นด้วยกันที่เรียกว่าสมัภาวนาและวิปัสสนาภาวนาขั้นแรกเรียกว่าสมถภาวนาก็คือการทำใจให้สงบให้นิ่งให้เย็นให้สบายให้มีความสุขให้มีความอิ่มความพอพอใจมีความเย็นความสุขความอิ่มความพอแล้วเราก็จะสามารถสอนใจ ให้ละความอยากต่างๆได้เหตุที่เรายังยับความอยากต่างๆไม่ได้เพราะใจเรายังไม่อิ่มใจเรายังไม่สุขกันนั่นเองเรารู้ว่าสิ่งต่างๆนั้นมันไม่ดีมันเป็นอันตรายต่อจิตใจของเราแต่เราเลิกไม่ได้เช่นคนติดยาเสพติดเลิกไม่ได้เพราะใจมีความหิวอยู่ตลอดเวลาหิวยาเสพติดคนที่ ติดสุราก็หิวสุราอยู่ตลอดเวลาเลิกสุราไม่ได้แต่ถ้าสามารถทำใจให้สงบได้ใจจะอิ่งจะไม่รู้สึกหิวกับสุราจะไม่หิวกับยาเสพติดเราก็จะสามารถสอนใจให้หยุ ด, ย า, สสา ย, ด ย, ายาเสพสุราหยุดยาเสพยาเสพติดได้เราก็จะเลิกได้อย่าง ง่ายได้ไม่รู้เสกทุกทรมานใจถ้าใจสงบแล้วนี่จะเลิอกอะไรเลิกได้อย่างง่ายได้เพราะใจไม่ดิ้นนั่นเองใจเฉยๆเป็นเหมือนกับเวลาหมอต้องทำการผ่าตัดถ้าไม่ได้ฉีดยาสลบให้กับคนไข้ถ้าผ่าละคนไข้จะต้องดิ้นจะต้องเจ็บอย่างมากแต่ถ้าให้ยาสลบแล้วหมอก็ผ่าได้อย่างสบาย คนไข้ก็นอนนิ่งเฉยๆได้อย่างสบายไม่เจ็บเลยฉันใดความสงบนี้ก็เป็นเหมือนยาสรบหรือเป็นเหมือนยาชาที่จะช่วยให้เราเลิกความอยากต่างๆได้เลิกความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดโภพภะได้เลิกความอยากในการอยากมีอยากเป็นได้เลิกความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ เราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายถ้าเรามีสมถะและมีวิปัสสนาเพราะว่าสมถะและวิปัสสนานี้จะช่วยชำระความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปเลยดังนั้นถ้าเราอยากจะอยู่อย่างมีความสุขและไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราก็ต้องพยายามปฏิบัติ ตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนสามประการด้วยกันคือทำบุญให้มากๆทำบุญให้หมดเลยมีเงินทองที่มากเกินความจาเป็นทำไปให้หมดเลยอย่ากเก็บเอาไวนะ้แล้วก็ออกรักษาศีลทำออกรักษาศีลจะถือศีลห้าไปก่อนก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็เพิ่มเป็นศีล8ศีลสิบ ศิน 7, ส2งรยี่3ิบเสรอาข้อรักษาไปแล้วทำจะทาให้ตัดกาลังของความอยากไ้ลงไปมากจะช่วยให้เราสามารถทำใจให้สงบได้เพราะถ้าเรายังไม่รักษาศินยังไม่ทำทานยังไม่ทำบุญนี้ความอยากจะมีกำลังมากจนเราจะไม่สามารถมาเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนาได้ แต่ถ้าเราตัดกำลังของความอยากด้วยการทำบุญด้วยการละ บ, บาปแล้วความอยากจะอ่อนกำลังลงจะทำให้เราสามารถมาเจริญสมถะทำใจให้สงบเมื่อใจสงบเราก็จะสามารถสอนใจบอกใจให้เลิกความอยากต่างๆเสียเพราะความอยากนี้จะทำให้ใจทรมาน์ทำให้ใจทุกข์ ถ้าหยุดความอยากได้แล้วใจก็จะไม่ทุกข์ไม่ทรมานในขณะที่หยุดความอยากก็จะไม่ทุกข์ทรมานใจถ้าใจมีความสงบมีสมถะภาวนานี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงถอดถอนความอยากต่างๆออกจากพระไทยของพระองค์เมื่อสามารถถอดถอนความอยากต่างๆให้หมดไปจาก พระไทยของพระ อ, องค์แล้วพระ อ, องค์ก็ทรงรู้ว่าพบชาติต่อไปไม่มีอีกแล้วเพราะไม่มีตัวที่จะดันให้ไปเกิดนั่นเองตัวที่จะดันให้ใจไปเกิดก็คือความอยากทั้งสามประการนี้เองพระพุทธเจ้าทรงตรงตัสว่าเราได้รู้แล้วเราได้เห็นแล้วผู้ที่หลอกให้เราไปสร้างพบสร้างชาติมาอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้น ก็คือกิเลสก็คือตัณหาความอยากทั้งสาประการนี้เองพอไม่มีตัณหาแล้วก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่น้ำมันหมดแล้วเมื่อไม่มีน้ำมันแล้วรถยนต์ก็ไม่สามารถวิ่งต่อไปได้ใจที่ไม่มีความอยากทั้งสามประการนี้แล้วก็จะไม่สามารถไปหาพบหาชาติอีกต่อไปได้แล้วก็มีคนถามว่าถ้าไม่ไปเกิดแล้วอยู่ที่ไหน ใจก็อยู่ในโลกทิพนี้เองใจของพวกเราขณะนี้ก็อยู่ในโลกทิพใจกับร่างกายนี้อยู่คนละโลกกันเชื่อมต่อกันด้วยกระแสกระแสใจกระแสความรู้สึกนึกคิด <Tabii. S 1> แต่ใจนี่อยู่ในโลกทิพร <u> <Storm. S 1> ่างกายนี้อยู่ในโลกกทถาอยู่ในโลกนี้ติดต่อกันด้วยกระแสความคิด<ม>ติดต่อด้วยความรับรู้ ความรู้สึกนึกคิดนี้เป็นตัวที่ติดต่อเชื่อมใจกับร่างกายเวลาร่างกายตายไปใจของพวกเราที่ยังมีความอยากอยู่ก็จะส่งกระแสไปหาร่างกายอันใหม่ไปเชื่อมกับร่างกายอันใหม่แต่ใจของผู้ที่ไม่มีความอยากแล้วก็จะหยุดส่งกระแสไปหาร่างกายอันใหม่ก็ยังอยู่ในโลกที่เหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่มีร่างกายมาแบกมาทุก ผู้ที่ยังมีความอยากก็จะส่งกระแสไปหาร่างกายอันใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่มาแบบมาทุกต่อไปใจของพวกเรากับใจของ พ, พระพุทธเจ้าพระอรหันนี้อยู่ในโลกทิพด้วยกันเทวดาก็อยู่โลกทิพ์เปรตก็อยู่ในโลกทิพน์นโลกก็อยู่ในโลกทิพสวรรค์ก็อยู่ในโลกทิพไม่มีวันหมดไปโลกทิพนี้ไม่มีวันสิ้นไม่มีวันหมดไป เพียงแต่ว่าจะไปมีพบใหม่ชาติใหม่หรือไม่เท่านั้นเองถ้ามีก็จะมีความทุกข์ตามมาถ้าไม่มีพบใหม่ชาติใหม่ก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะจะไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความตายตามมาไม่มีการพัดพรากจากของที่เรารักที่เราชอบตามมานี่คือเรื่องของใจของพวกเราและใจของพระพุทธเจ้าต่างกันตรงนี้เท่านั้น ต่างกันตรงที่ไม่มีความอยากหรือมีความอยากพวกเรายังมีความอยากอยู่เราก็เลยยังต้องไปมีร่างกายอันใหม่แล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกขต่อไปส่วนใจของพระพุทธเจ้าไม่มีความอยากใจของพออระอรหันต์ไม่มีความอยากใจของท่านก็เลยไม่มีร่างกายมามาทุกข์ด้วยมาแก่มาเจ็บมาตายด้วยนั่นเองเท่านั้นเองนี่คือ เรื่องของใจของพวกเราว่าจะทุกข์ต่อไปหรือจะหยุดความทุกข์จะเกิดต่อไปหรือจะหยุดความหยุดการเกิดมีแค่นี้เองแต่ใจของเราไม่มีวันหมดไม่มีวันสลายไปไม่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำถ้าเราทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะหมดทุกข์หมดภัยถ้าเราไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เราก็จะต้องทุกต่อไปมีเวรมีกรรมต่อไปไม่มีวันซึ่งสุดดังนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาดูว่าควรจะทำอย่างไรดีควรจะเกิดต่อไปหรือควรจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่ตัวเราไม่มีใครสามารถทำแทนเราได้และไม่มีใครสามารถบังคับเราได้ เราต้องเป็นผู้บังคับตัวเราเองเราต้องเป็นผู้ทำเองถ้าเราอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องเวียนว่าเราก็ต้องบังคับตัวเราเองให้ทำบุญละบาปและชำระใจของเราให้สะอาดเท่านั้นจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทำภารกิจทางจิตใจเพื่อยุติการเวียนว่ายตายเกิด เพื่อดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจของเรานี้ให้หมดสิ้นไปด้วยการทำบุญละบาปและชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้ท่านได้นำเอาไปพิิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้